ในมุนีสูตรต่อไปนะครับมุนีเนี่ยโดยมากปแปลว่าผู้รู้นะครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอารหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อมพิสูจน์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้หรือเป็นมุนีเนี่ยนะครับสามอย่างนี้สามอย่างเป็นชนความเป็นผู้รู้คือมุนีทางกายหนึ่ง ความเป็นผู้รู้คือมุนีทางวาจาหนึ่งความเป็นผู้รู้คือเป็นมุนีทางใจหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความเป็นผู้รู้สามอย่างนี่แหละนะครับรู้จริงก็ต้องรู้ทั้ง3ามทวารนี่นะครับถ้าเป็นมุนีจริงก็มุนีทางกายวาจาและทางใจนั่นเองนะครับส่วนในคาถาพระองค์ตรัสว่าภ้ารียเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวผู้รู้ทางกายคือมุนีทางกา ย, ายมุนีทางวาจามาุนีทางใจนี่นะครับผู้หาอาสวะไม่ได้ว่า เป็นมุนีผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีมีบาปอันล้างแล้วนะครับ น, นี่ก็ในคาถาเนี่ยนะครับชื่นชมผ้าระหันท์ซะสมบทเลยนะครับส่วนในสูตรก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่าในคาถานี้ก็ท่านจะยกย่องผ้ารหันต์นะครับว่าท่านเป็นมุนีทางกายวาจาจริงๆนะครับเป็นคนผู้รู้เป็นผู้สะอาดผู้ไม่มีอาสะวะจริงๆ อธิกถาอธิบายว่าบุคคลชื่อว่ามุนีเพราะรู้ทั้งโลกนี้โลกหน้าและทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถามว่ามุนีคือใครคือพระเสขะเจ็ดจำพวกพร้อมด้วยกัลยาณปูตุชนและพระอระหรันต์นะครับคือสรุปแล้วนะกัลยาณปูตุชนและพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รู้โลกนี้และโลกหน้านะครับแล้วก็รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น จึงจะชื่อว่าผู้รู้จริงๆเนี่ยนะครับรู้โลกนี้รู้โลกหน้ารู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นถามว่ารู้โลกนี้โลกหน้าเป็นยังไงครับโลกนี้ก็คือประโยชน์ทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองนะครับว่าอะไรเป็นประโยชน์ในโลกนี้นะครับเช่นการงานที่ไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ในโลกนี้ส่วนประโยชน์ในโลกหน้าก็เป็นผลของสุจริตกรรมทั้งหลายถ้าประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าของตน ถ้าประโยชน์ผู้อื่นก็คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าของผู้อื่นผู้ที่รู้แบบนี้แหะครับเรียกว่ามุนีนะครับหมายถึงกาลยาณปุตุชนกาลยาณปุตุชนนั้นหมายถึงกาลยาณปุตุช น, น, น, รร ท, ชนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีหรือพระหูสูตรบุคคลทั้งหลายนั่นแลแต่ว่าสําหรับสูตรนี้นะครับผู้รู้มุนีในสูตรนี้มเนยะเนี่ยนะจากมุนีเนี่ยนะ ประงเอาผ้าอรหันเท่านั้นนะสูตรนี้เอาผ้าอรหันอย่างเดียวทีแรกก็ขยายไปซะหมดเลยนะครับกว้างขวางขนาดไหนในคํานั้น น, นะตอนหลังอ่ะล็อกเอาเฉพาะผ้าอรหันอย่างเดียวนะความเป็นแห่งมุนีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโมนยิยะได้แก่กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารของพระอรหันนะครับหมายว่าความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจของผ้าอรหันทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งธรรมะ คือโมนยะปฏิปทาที่ทําให้เป็นมุนีชื่อว่าโมเนยะอันนี้โมเนยะศัพท์นะครับโมเนยะเนี่ยก็คือหมายถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นมุนีนะครับในโมนยะเหล่านั้นมีความพิสดารดังต่อไปนี้อันนี้ขยายตามคำพิมพ์มหานิเทศนะครับว่าบรรดามโมเนยะทั้ง3อย่างนั้นกายะโมนยะเป็นอย่างไรนะครับปฏิปทาที่ทําให้ถึงความเป็นมุนีทางกายเนี่ยเป็นอย่างไรคือ การละกายะทุจริต3อย่างก็ชื่อว่ากายะมูนยะนะครับละอะไรครับละปานาติบาตละอธินาทานละกาเมสุมิจฉาจารนะครับหรือละอพรหมจ ร, รันนั่นเองนะครับชื่อว่ากายามะมเนยะส่วนกายะสุจริตสอย่างนะครับคือเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นนะครับชื่อว่ากายะมเนยะเหมือนกันนะครับหรือว่ายาในธรรมะที่มีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่ากายะมูนยะ คือยานที่มีกายเป็นอารมณ์นั้นคืออะไรครับก็คือยานที่กำหนดกายทุจริตยานที่กำหนดกายสุจริตนะครับยานที่พิจารณาผลเป็นต้นนะครับผลของสุจริตทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองลักษณะนี้เรียกว่ายานในธรรมะที่มีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่ากายะมูนยะส่วนการกำหนดรู้กายคือการทำปริญญาในกายนะครับยาตะปริญญาตีระนปริญญาปะหานะปริญญาในกายก็ชื่อว่ากายโมูนยะ อริยมรรคที่สหรคด้วยการกาหนดรู้กายก็ชื่อว่ากายโมนยะบรรลุมรรคผลเพราะการพิจนารณากายอย่างนั้นเถอะก็ชื่อว่ากายโมนยะการละฉันทราคะาในกายก็ชื่อว่ากายโมเนยะาะกายือกโมนยะการจัดราคะที่เป็นไปในกายทั้งหมดเลยนะครับไม่มีบาปอากุศลในกายเลยนะการเข้าจตุทชานมีการดับกายะสังขารคือลมหายใจเข้าขหายใจออกก็ชื่อว่ากายโมนยะ เพราะฉะนั้นในความเป็นโมนยะเนี่ยนะครับทางกายเนี่ยมี7อย่างด้วยกันนะครับ 1. ละกายะทุจริต2องบำเพ็ญกายะสุจริตสายานที่มีกายเป็นอารมณ์ 4. ี่ทำปริญญาในกาย 5. มักที่บรรลุเพราะอาศัยการกำหนดรู้กาย 6. ละฉันทราคะในกาย 7. เข้าจตุทชาญที่ไม่ต้องหาย ใ, ใจเข้าออกอีกอย่างนี้นะครับเรียกว่า กายโมนยะมีเจ็ดในด้วยกันนะครับความเป็นมุนีทางกายนี้ไม่ง่ายเลยนะครับใครจะเป็นมุนีเนี่ยนะดีจริงทวารกายก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเอาเจ็อย่างไปวัดน่ยนะว่าใครมีกายดีจริงๆเลยเนี่ยนะเอาเจ็ดอย่างนี้ไปวัดดูนะครับชั้นต้นเลยนะครับถ้าจะตรวจสอบกายกรรมของคนทั่วๆไปเนี่ยนะว่ามีกายะทุจริตสาอย่างไหมถ้าเป็นพระพิสูราก็เอาพระวินัยบัญญัติที่เป็นไปทางกายนี่นะครับไปวัดดูก่อนไปตรวจสอบดูก่อน แล้วก็ต่อไปนะครับว่าท่านบําเพ็ญกายสุจริต จ, จนบริบูรณ์ไหมนะครับคือไม่ใช่เว้นนั่งเฉยๆเนี่ยนะครับไม่เป็นอาบัตจริงแต่ว่าอาบัตบางอย่างเนี่ยนะครับต้องประพฤตินะครับเช่นลงอุโบสถเป็นต้นไหมนะครับพวกอุโบสถเป็นต้นเนี่ยต้องทําขึ้นนะครับต้องไปทําพวกสังฆก ร, รรมเป็นต้นเนี่ยนะพวกประพฤติวัดทั้งหลายแหละสิ่งเหล่านั้นนั่นต้องประพฤติขึ้นนะครับอันนั้นแหละเรียกว่ากายสุจริตเสร็จแล้วก็ ให้ลึกซึ้งต่อไปอีกว่าท่านพิจารณาเรื่องกายกรรมเหล่านั้นไหมว่ากายกรรมที่บำเพ็ญที่ประพฤติไปเนี่ยมีผลเป็นต้นเป็นอย่างไรการใคร่ครวญถึงคุณของกายสุจริตไหมะนะการวิเคราะห์การพิจารณาโทษของกายทุจริตไหมนะครับเท่ากับว่าเออเรียนรู้ถึงศีลและผลของศีลเป็นอย่างดีไหมนะครับแล้วก็การทำปริญญาทางกายนะครับว่ากายเนี่ยนะทปริญญามากขนาดไหน หรือถ้าพูดอีกนายหนึ่งนะครับว่ากายนี้ก็จะออกมาในรูปแบบของอิริยาบทเป็นต้นเนี่ยนะครับว่าเจริญสติปัฏฐานเป็นไปในอิริยาบททั้งหลายไหมก็ต้องไปวิเคราะห์อันนั้นว่าทำปริญญาเหล่านี้ไหมนะแล้วก็ถ้าจะไอ้ลึกซึ้งไปอีกเนี่ยนะครับท่านไข้ครวญกายจนบรรลุอริยมรรคหรือเปล่านะครับเอาลึกซึ้งไปอีกหรือว่าท่านกําจัดฉันทราคะนะครับทางกายนี้ได้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถมีจตุตชาณได้ไหม ทั้งหมดนี่นะครับเรียกว่ากายะโมนยะนะครับตรวจสอบดูแล้วสอบตกหมดนะครับผมนะตกถ้าเป็นพระอร ห, รอรหอนันต์ต้องครบหมดนะครับผมเชื่อว่าครบหมดอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นมุนีทางกายทางวาจาและทางใจไม่มีธรรมะอะไรที่พระอรหันต์ไม่พิจารณาเพราะาท่านพิจารณาครบถ้วนหมดแล้วนะครับ โดยเฉพาะเรื่องศีลเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ใคร่ครวญในเรื่องศีลดีจริงๆเนี่ยนะครับท่านจะจะรักษาศีลบริบูรณ์ได้อย่างไรแล้วการพิจารณาถึงกรรมที่นําไปสู่ภพต่างๆพระอรหันต์ก็ต้องใคร่ครวญมาหมดแล้วนะครับจึงไม่ยินดีแม้กระทั่งในกรรมและผลของกรรมนะเนี่แล้วก็กําจัดชั้นราคาท่านก็ได้นะครับแต่ว่าพระอรหันต์บางองค์ก็อาจจะไม่ได้เจตุทะชาญนะครับอาจจะได้แค่ระดับปฐมฌาน แต่ว่าโดยทั่วทั่วไปแล้วคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีบริบูรณ์ในผ้าหันหมดเลยนะครับจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดประโยชน์อะไรด้วยการหลับไงเทวดาออกมาเตือนว่าพูดสลับมาเยอะแล้วผมพูดไม่มีใครหลับเลยเนี่ยแสดงว่าวันนั้นพิเศษมาก บรรดามโมเนยะทั้งสาอย่างนั้นวจีโมเนยะเป็นอย่างไรนะครับนะความเป็นมุนีทางวาจานี้เป็นยังไงคือการละวจีทุจริตสีประการนะครับชื่อว่าวาจีโมเนยะนะละมุสาวาละพูดไม่พูดคาหยาบแล้วก็ละเว้นจากการส่อเสียบละจากการพูดเพ้อเจ้อและในขณะเดียวกันก็นก ประพฤติวจีสุจริญสีประการคือพูดคําสัตย์คําจริงนะครับเว้นจากมุสาวาทก็คือมาพูดคําสัตย์คําจริงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคําที่ไพเราะนะครับก็คือไม่พูดคำหยาบแล้วก็พูดให้ประสานประโยชน์นะครับอันนี้เรียกว่าตรงกันข้ามกับสอเสียดเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันก็พูดเป็นหลักเป็นฐานพูดเป็นสังวรวิในพูดเป็นปหาณวิในเป็นต้นซึ่งเว้นจากเพอเจอร์นะครับ นันละวจีทุจริตแล้วบวําเพ็ญวจีสุจริตนะครับในชั้นต้นเลยการฝึกใช้คำเนี่ยนะครับจะพูดยังไงหือว่าสิ่งที่พูดต้องจริงก่อนในชั้นต้นนะที่พูดต้องจริงก่อนทีนี้ที่พูดคําจริงเหล่านั้นอนะ่ะมีเมตตามไหมเวลาพูดอัะ น, นั้นเป็นไม่หยาบนะครับแล้วมีประโยชน์ไหมประสานประโยชน์ของคนทั้งหลายไหมคําพูดนั้นๆเนี่ยนะจริงไม่หยาบด้วยแล้วประสานประโยชน์ไหมเสร็จแล้วก็ เป็นเข้ากับสังวรวินยัยเข้าปะหานวินัยไหมนะครับเพื่อที่จะเป็นไปในธรรมะชั้นสูงโดยที่ไม่เพ้อเจ้านะคนที่ใช้วาจาได้ในลักษณะนี้เรียกว่าโมนยะมวจีโมเนยะนะครับแม้กระทั่งญาณในธรรมะมีวาจาเป็นอารมณ์ชื่อว่าวจีโมนยะนะครับคือญาณที่พิจารณาเรื่องวจีกรรมทั้งหมดนะครับ พิจารณาเรื่องวจีกรรมและผลของวจีกรรมทั้งหมดมองออกอย่างตลอดสายนะครัะว่าวาจีทุจริตนั้นมีผลอย่างไรวจีสุจริตนั้นมีผลอย่างไรนะครับก็มีการใครใ่ครวญอย่างบริบูรณ์รอบครอบหรือแม้กระทั่งการทําปริญญานะครับการกําหนดรู้วาจาก็คือทําปริญญา3ทางวาจานั่นเองนะครับนำตั้งแต่จิตจิตตะสมุทฐานในการเปล่งคําพูดออกมานะครับการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่า การกําหนดรูวาจานะครับเพราะฉะนั้นการใช้คําทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างไรชื่อว่าเป็นยาตะปริญญาอย่างไรชื่อว่าตีรณปริญญาอย่างไรชื่อว่าปหาณปริญญานี่ก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดแม้กระทั่งเมื่อทําปริญญาสาเหล่านั้นก็ได้มักที่สหรคตด้วยการกําหนดรูวาจาชื่อว่าวจีโมเนยะวะจีโมเนยะนะครับ ถ้าหากว่าเจริญอริยมรรคได้แล้วเนี่ยนะครับก็การละฉันทราคะในวาจาก็ชื่อว่าวาจีโมเนยะเหมือนกันแม้กระทั่งเข้าทุติยะฌานมีการดับวจีสังขารก็ชื่อว่าวาจีโมนย ะ, ะคําว่าวจีสังขารเนี่ยนะครับเป็นชื่อของของวิตกวิจารณนะครับเพราะว่าวิตกวิจารณนี่เป็นเหตุใกล้ของคําพูดเพราะนั้นคนที่เข้าทุติยะฌานนะครับในจตุกกนายนะคือ โดยจะตุ ก, กนาเนี่ยนะครับคือโดยเนยะแห่งฌาน4ี่ถ้าเข้าทุติยฌานก็ดับวิตกวิจารณ์นี่ก็ชื่อว่าวาจีโมเนยะนะครับอันคนที่เข้าทุติยฌานได้คนนี้ก็มีวจีโมเนยะได้เป็นอย่างดีนะครับอ๋อทำปริญญาอย่างไรใช่ไหมครับทางวาจาก็อะไรครับเป็นเหตุให้แปลงวาจาออกมาครับคือนับตั้งแต่จิตนะครับแล้วก็จิตที่แปลงวาจานั้นออกมา จิตที่เปล่งวาจาะนะั้นมีผลต่อพระวินัยบัญญัติเป็นต้นอย่างไรนะครับโดยชั้นศีลนะครับแล้วก็วจีเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้ถูกแล้วเป็นส ม, มถะได้อย่างไร น, นะเจริญส ม, มถะโดยที่เปล่งวาจาได้ไหมครับได้เช่นการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นส ม, มถะด้วยนะครับหรือการเจริญวิปัสสนาเช่นสาธยายแล้วก็พิจารณาความสิน้นความเสื่อมในขณะที่สาธยายด้วยเป็นต้นนะครับครับะนะหรือว่าสาธยายอาการสามเป็นต้นนะครับ ที่จริงนะชีวิตของเราก็มีแค่กายวาจากระจายนั่นแหละจะจะว่าไปแล้วนะลองเอาธรรมะเจ็ดหมวดนี่นะครับมาวิเคราะห์ดูให้ดีๆนะครับจะได้อะไรเยอะเลยนะครับเออทางกายนี่อย่างไรชื่อว่ากายยะทุจริตอย่างไรชื่อว่ากายยะสุจริตนะครับอย่างไรชื่อว่ายานที่มีกายเป็นอารมณ์อย่างไรชื่อว่าธรรมปริญญาทางกายอาริยมรรคสองรคตด้วยการกําหนดรู้ทางกายเป็นอย่างไรละฉันนราคะทางกายนี่เป็นยังไง แล้วก็เข้าจตุทชานที่ดับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะครับทางวาจาก็เหมือนกันว่าอย่างไรชื่อว่าวาจีทุจริตอย่างไรชื่อว่าวาจีสุจริตอย่างไรชื่อว่ามีการพิจารณาวาจานะครับอย่างไรชื่อว่าการกําหนดรู้วาจาหรือทำปริญญาทางวาจาอาริยมรรคที่จะเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาวาจาได้อย่างไรการละชั้นราคะในวาจานี่เป็นอย่างไรอย่างไรชื่อว่าเข้าทุติยะฌานจึงจะดับวิตกวิจารณได้นะครับบทเหล่านี้ก็ คู่ควรกับการเอามาตรึกมาใไข้ ค, ควรมาวิเคราะห์ให้ดีนะครับแล้วหาพระสูตรในที่ต่างๆมาอ้างอิงนะครับว่าเป็นไปตามคําสอนส่วนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้มาทวารใจบ้างนะครับมโนมโนคือใจนะครับผู้รู้ทางใจเนี่ยนะมะโนโมนยะเป็นอย่างไรคือการละมะโนทุจริตสาอย่างเชื่อว่ามโนโมจยะคือละอะไรครับละพยาบาทละอภิชา นะครับละทิฏฐินะครับละมิจฉาทิฏฐิอ่ะ น, นะชื่อว่ามโนโสจยะนะครับแม้กระทั่งการเจริญเมตตาการเจริญอนัพิชานะครับคืออสุภสัญญาเป็นต้นนะนะการเจริญสัมมาทิฏฐิพวกเหล่านั้นก็เป็นมโนโมนยะหรือว่ายานในธรรมะที่มีใจเป็นอารมณ์คือพิจารณาทั้งมโนสุจริมโนทุจิริตเกิดการไข่ครัวในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นมโนโมนยะ หรือการกำหนดรู้ใจนะครับเอาทวารใจเนี่ยมาทำปริญญาให้หมดเลยอย่างนี้ก็ชื่อว่ามโนโมนยะหรือเจริญจนได้อริยมรคที่เกิดจากการพิจารณาใจนะครับการทำปริญญาทางใจก็ชื่อว่ามโนโมนยะการละชันทราคะในใจนะครับใจทุกชนิดนะฮะโลภะเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มีชันทราคะในสิ่งเหล่านั้นเลยโดยการบรรลุอริยมรคเนี่ยนะครับ ก็ชื่อว่ามโนโมนยะหรือแม้กระทั่งการเข้าสัญญาเวทัยิตานิโรธนะครับมีการดับจิตตสังขารก็ชื่อว่ามโนโมนยะแลหมายถึงการเข้านิโรธสมาบัตินะครับการเข้าสัญญาเวทัยิตานิโรธนั้นก็คือการเข้านิโรธสมาบัตินั่นเองทั้งหมดเหล่านี้ก็ชื่อว่ามโนโมนยะนะครัะหัวข้อธรรมเหล่านี้นะครับมีอธิบายมากนะครับในคัมภีร์นิเทศ แล้วอ่านในพระสูตรอื่นๆที่มีคาถาที่มีกล่าวคำว่ามุณีมุนีนะครับต้องเอาทั้งหมดเนี่ยไปอธิบายนะครับจึงจะเชื่อว่ารู้จักมุณีอย่างแท้จริงนะครับเช่นมุนีมุนีเนี่ยนะที่เจอที่ไหนก็เอาธรรมะเหล่านี้มาขยายนะครับเช่นมุณีนะครับอาคาระมุณีอนาคาระมุณีเสขามุณีอเสขะมุณี ปัจเจกมุนีมุนีมุนีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปอธิบายดังนั้นขอบเขตของการเป็นมุนีทั้งเหล่านี้ก็แตกต่างกันบ้างนะครับเช่นถ้ามุนีทางกายของคารวาสก็กับของพระพิสุก็แตกต่างกันบ้างเป็นต้นนะครับทีนี้ในคาถาว่าในคาถาที่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้รู้ทางกาย ผู้รู้ทางวาจาผู้รู้ทางใจผู้หาอาสวะมิได้ว่าเป็นมุนีผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีมีบาปอันล้างแล้วนะครับคือล้างแล้วด้วยอะไรครับด้วยอารยมรักอันประกอบไปด้วยองแปดนะครับด้วยน้ำเนี่ยนะตะบะและพรหมจรรย์ น, นั้นไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระความสกรปรกทางกายวาจาได้นะครับ น, น, นะนะอย่างพระ อ, องค์คุลิมานก็ชำระได้อย่างบริบูรณ์นะครับคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันก็อาศัยอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8คือประพฤติปฏิบัติตามอวาตที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้แล้วนะครับจึงจะชื่อว่าชำระบาปได้อย่างแท้จริงพูดถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี้สมัยก่อนเนี่ยนะเขามีวิธีชำระบาปสมมุติถ้าหาว่าพวกสมุไรเป็นต้นเนี่ยนะไปทําความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะ เกิดขึ้นเนี่ยไอการคว้านท้องของซามูไรเนี่ยนะครับชื่อว่าเป็นการล้างบาปนะครับคือหลังจากนั้นนะถ้าซามูไรนั่นแหละคว้านท้องของตัวเองโดยการเอาดาบปักแล้วก็คว้านนะครับให้ลำไส้มันขาเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครประนามซามูไรคนนั้นอีกเลยนะครับว่าไปมีความชั่วทั้งหลายแหล่เป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งค่าๆก็ถูกให้อภัยแล้วนะครับเมื่อคว้านท้องอ่ะนะก็เป็นวิธีล้างบาปอีกชนิดหนึ่งมันกันนะครับที่เรียกว่านานะ ครับเป็นการล้างไอความคือล้างคําคอรหาของคนได้นะครับเมื่อมีการคว้านท้องนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการคว้านกิเลสออกหมดนะครับด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนะครับด้วยดาบคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดคว้านกิเลสออกสังขวานสามแล้วก็ไม่มีพาเรียเจ้าผู้ไหนตําหนิอีกแล้วนะครับมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่คนละอย่างนะครับผลเนี่ยแตกต่างกันมากสมุไรถ้าใจเป็นบาปก็อบายก็หวังได้นะครับถ้าใจเป็นบุญก็ดีไปนะครับ แต่ว่าพระริยเจ้าทั้งหลายนี่นะครับถ้าหากว่าอย่างอุกฤษก็ดับขันปรินิพานถ้าควานด้วยดาบคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือด้วยน้ําคืออาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีเข้าถึงพรทมโลกนะถ้าต่ำกว่านั้นก็เป็นเทวดาหรือกลับมาเป็นมนุษย์ดีก็ไม่เกิน7ครั้งนะครับสำหรับพระโสดาบัน